สวัสดีครับท่านผู้ชมผมสารพิศปฏิคูณขณะนี้ท่านกำลังชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกข่าวแน่ากลุ้มโดยดังตรี้ยเฮ่หนุ่มสามสิบสองกลับมาเยี่ยมบ้านหลังทำงานที่ต่างประเทศมีเงินเดือนคิดเป็นเงินไทยตั้งเกือบห้า0มืนบาทยังอุตส่าห์ติดพนันบอลกระทั่งต้องฆ่าตัวตาย แถมตอนจะค่าตัวตายก็ไม่มีอาการว่าจะทำร้ายตนเองมีการเดินยิ้มผ่านหน้าเมียเข้าห้องนอนลูกสับไกลปืนโป้งเข้าหน้าอกตอนเองตายคาที่ทิ้งศพให้ลูกเมียวิ่งมาแบกภารา จ, จัดการต่อไปแถมอยู่คลดแก้วแทงแล้วก็หมดโบ๊ทเลซก็แล้วไม่คลดคราหมดโบ๊ทมีว่ก็แทงแล้วก็หมด ไหมมนนปจนดีอแต่ละครั้งที่คุณโยนเงินลงไปในกองพนันคุณได้โยนความดีงามแบบมนุษย์ทิ้งไปด้วยทีละน้อยแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวพูดเกินไปหรือเปล่าเปล่าครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ หากเคยมีประสบการณ์ตรงมาก่อนก็ขอให้ลองทบทวนดูว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นความจริงไหมเมื่อเริ่มต้นย่างเข้าสู่บรรยากาศของการพนันขันต่อโดยเฉพาะในบ่อนหรือในห้องหับรับหูรับตาคน คุณจะรู้สึกถึงความกดดันของการจ้องจะเอาเงินกันที่บีบให้คุณอึดอัดแม้ผู้คนในนั้นจะทักทายสวนเสฮะฮาคุณก็จะไม่ปลอดโปร่งโล่งใจเต็มที่ก็แล้วการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในเขตทึบทึมชวนอึดอัดน่าจะทำให้คุณโน้มเอียงไปคิดถึงเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเล่าในที่ที่มีแต่การชิงได้ชิงเสียยอมแฮงแหลงจากกระแสน้าใจ แทบไม่มีความเมตตาปราณีให้สัมผัสที่นั่นก็แล้วการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในเขตแหล่งน้ำใจน่าจะทำให้น้ำใจของคุณมีมากขึ้นหรือลดลงเล่าในที่ที่ผู้คนเต็มไปด้วยความหวาดระแวงกลัวถูกโกงยอมขุนคลักด้วยรังสีอมมหิตเหมือนพร้อมจะเอาเรื่องกันเมื่อจับได้ว่าอีกฝ่ายตุกติก หรือไม่ก็พร้อมจะเป็นฝ่ายตุกติกเซเองเมื่อสบช่องก็แล้วการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในเขตพร้อมจะโกงและพร้อมจะเอาเรื่องน่าจะทำให้ใจคุณสะอาดหรือสกรปรกกว่าเดิมเล่าที่พูดมาทั้งหมดข้างต้นเนี่ยแค่เริ่มต้นย่างเข้าไปในเขตของการพนันขันต่อนะครับ เมื่อหลวมตัวถูกพลังอบายมุกดูดเข้าประตูบ่อนเพียงเก้าเดียวคุณจะเริ่มหน้ามืดทีละน้อยกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็เจอหลุมดำดูดเข้าไปเสี่ยงดวงกับอะไรสักอย่างด้วยความคาดหวังว่าจะเป็นฝ่ายได้พวกที่ดวงกำลังจะลงเหวลึกนั้นหมักเล่นได้ไง่ายหรือกระทั่งได้มากตั้งแต่เล่นตาแรกเขาจะเกิดความเชื่อผิดๆว่า ตนเองมีโชคในทางพนันซึ่งกว่าจะรู้ว่าคิดผิดก็จวนหมดตัวรอมรอ่หลุมดำของการพนันจะสูบอะไรดีๆไปจากชีวิตคุณทีละน้อยไม่ว่าจะเป็นสติยังคิดพลังแห่งความมีชีวิตชีวาไปจนกระทั่งความสามารถในการเงยหน้ามองขึ้นสูง อย่าว่าแต่เงินเดือนตั้งเกือบห้าห0ื่นอย่างหนุ่มในข่าวนี้เลยถ้าคิดจะใช้ทุนต่อทุนทางลัาแล้วแม้มีเป็นร้อยล้านผีพนันก็บงการให้คุณทุ่มหมดหน้าตักทั้งร้อยล้านที่มีเมื่อถึงขีดสุดของความหน้ามืดการยื่นเงินเข้าโต๊ะพนันแต่ละครั้งเปรียบเหมือนการยื่นข้อมือให้นรกผูกโซ่ลามข้อมือทีละเส้น ตอนแรกๆเหมือนโซ่บางๆจะดิ้นเมื่อใดก็หลุดเมื่อนั้นกระทั่งเริ่มผูกหนักเป็น1ิบเป็นร้อยเส้นนั่นแหละคุณถึงตระหนักว่าไม่มีแรงสะบัดดิ้นได้หลุดเส้นแล้วคนที่ตายเพราะการพนันเกือบทุกคนกล่าวในช่วงเริ่มต้นเสมอว่าพวกเขารู้จักหยุดรู้จักพอที่เล่นก็แค่เอาสนุก พอผ่อนคลายและจุดประกายความหวังที่สดชื่นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเหมือนเหมือนกันไปหมดมีการเปิดเผยว่าในเมืองใหญ่ที่เล่นพนันกันได้อย่างถูกกฎหมายเช่นลาสเวกัสแอตแลนติกซิตี้กับร e โนนั้นมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงกว่าเมืองขนาดเดียวกันที่การพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย และน่าสนใจที่นักฆ่าตัวตายในเมืองเหล่านี้เป็นพวกนักท่องเที่ยวซึไม่ใช่น้อยการพนันเป็นเส้นทางไปสู่ความชั่วร้ายและการตายไม่ดีเชื่อข่าวเถอะครับ